หรื อ, อย่างวันนี้จะได้พูดในหัวข้อลักษณะที่เรียกกันว่าให้ความรู้ตามลักษณะภูมิปัญญาถึงเป็นการเปรียบเทียบว่าคนตละคนในสาสนิษในศาสนาเนี่ยเหมือนบัวสีเหลาบัวสีเหลาคืออะไรคือบอกให้ชัดว่าความรู้ตามลักษณะภูมิปัญญา ของคนเราเนี่ยได้แก่บวพลน้้ำก็มีข้อแรกเลยจะเรียกว่าอุคติตันยูคือเป็นบุคคลมีปัญญาเพียงยกหัวข้อธรรมะแสดงนิดเดียวก็บรรลุรู้เข้าใจแล้วหรือว่าเพียงแค่ยกหัวข้อเรื่องก็เข้าใจแทบจะไม่ต้องฟังอธิบายรู้สึก ดูแจ้งแทงตลอดตาหัวข้อที่ยกขึ้นด้วยภูมิปัญญาด้วยความเข้าใจไม่ต้องอธิบายมากคนพวกนี้เรียกว่าบัวพ้นน้ำพวกอุกติตันยูพวกที่สองท่านเรียกว่าบัวปิ่มน้ำเรียกว่าพวกวิปจิตตันยูคือเมื่ออธิบายหัวข้อแล้วขยายความละเอียดว้างขึ้น ก็ได้โอกาสเข้าใจแจ่มแจ้งแต่ว่าช้ากว่าคนแรกนิดหนึง่งคนแรกนี่ยกหัวข้อก็เข้าใจรู้แจ้งแทงตลอดเรียกว่าแนวทางไปได้เลยส่วนที่สองนี่ยกหัวข้อยังไม่เข้าใจยังมึนๆอยู่อหัวข้อนี่อะไรหมายความว่าอะไรแต่พออธิบายนิดเดียวก็เข้าใจบรรลุเลย เข้าใจเลยได้ปัญญาเห็นแจ้งก็้มาว่าอ๋อหัวขอ้อนี้อธิบายแล้วมันเป็นอย่างนี้เองส่วนที่สามเรียกว่าบวชใต้น้ําบวชใต้น้นํานี่ท่านเรียกว่าเนืยะต้องอธิบายเนื้อหาละเอียดจนจอดจะเข้าใจได้นเหนื่อยและคนอธิบายนะต้องให้เพื่อนให้คนมาช่วยแนะนําขยายต่ออีก ฟังไปแล้วอธิบายแล้วเนี่ยยังต้องไปอาศัยเพื่อนที่เป็นกัญญาณมิตรใกล้ชิดชี้นำต่ออีกขยายต่ออีกเข้าใจตี่พวกบัวใต้น้ำท่านี้อีกตัวหนึ่งนี่หนักหน่อยต้องเดาี่คืออะไรบัวใต้ตมบัวใต้ขนตมถ้าเรียกว่าปะทะปรมะปะทะปรมะเนี่ยอธิบายอย่างไรก็ไม่เข้าใจ ก็ต้องปล่อยเขาไปเป็นอาหารเตา่าอาหารปลาเออบัวใต้น้ำเนี่ยลำบากยากที่จะทำความเข้าใจต้องปล่อยให้เป็นอาหารเตา่าอาหารปลาถ้าพูดสมัยใหม่นี่ก็ต้องปล่อยให้เป็นอาหารเน่นแอไปเลยถึงจะสะใจะเนะเาะอ้าวตอนนี้ มาดูรายละเอียดอีกนิดนึงบัวสีเหล่าโดยอุ ป, ปมาพวกอุกติตนยูเนี่ยคือพวกที่มีสติปัญญาฉลาดเฉียวเป็นคนมีสัมมาทิฏฐิเห็นถูกต้องตามคันลองคลองทรมาตั้งแต่ลุ่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายมีตระกูลสัมมาทิฏฐิเป็นฐานดีมาตั้งแต่ต้นพอได้มารับคำแนะนำกระทบนี้ก็ไปเลย โลดแ่นไปเลยพอได้ฟังธรรมสามารถที่จะใช้เวลาเข้าใจอันรวดเร็วไม่ช้านานเปรียบเสมือนบัวที่อยู่จะพ้นน้ำปิ่กระพนเนี่ยพวก้นออกมาแล้วบานขึ้นแล้วพอได้แสงแดดนิดเดียวบานเลยหมายความว่าแสงแดดคือแสงธรรมส่องมาแป๊บเดียวครีดอกบาน โยมก็เห็นเขาทำไอ้ใช้ถ่ายกล้องนานๆมป็ น, นมนป๊บปึ๊บป๊บป๊ป๊ บ, บ, บเอออย่างเนี้ยคนที่อยู่ในระดับต้นมารก็ตเป็นอย่างเงี้ยรู้เร็วรู้ไวเข้าใจเร็วเปรียบเหมือนบัวที่อยู่พ้นน้ำแล้วแต่ยังไม่บานนะมันพ้นแหละแต่พอได้แสงแดดแป๊บเดียวมันก็บานเลยเออมแมลงพึง่ง อะไรก็ได้ไปกินเกศสอคือว่าใครอยู่ใกล้เคียงก็ได้หอมได้น้ำหวานได้ทานอะไรตออะละพลอยเข้าใจอะไรไปด้วยคนพวกแรกนี่มีประโยชน์มากเพราะฉะนั้นใครที่ทำตนเป็นคนประเภทแรกได้เนี่ยหน้าปรึมใจเนาะไม่ต้องเสียเวลากันเนิ่นนานมีพระรูปหนึ่งฟังเพียงประโยคเดียวนะ ได้ยินสักว่าจะยิน เ, ออเห็นสักแต่ว่าเห็นอย่าปรุงแต่งให้เห็นมันกลายเป็นอยากเป็นชอบเป็นยึดพอเห็นก็รู้สึกทันทีเลยว่าเออเห็นแล้วเห็นแล้วระวังอย่าลองอย่ารักอย่าจังอย่าบูบว่า ป, ปกามันก็ไม่บูบา่ารู้เท่ารู้ทันรู้แก้รู้กันทันทีจิตใจที่เห็นนั้นไม่สามารถที่จะมาบีบคัในให้ยึดติดได้เหมือนบัวเนี่ยนะมันเกิดจากโคลนตมก็จริงนะ แต่ใบดอกมันนี่ไม่มีคนต้มติดเลยติดไม่ได้หลุดหมดแต่คนโง่นี่แมมมันยังไงอะเจออะไรก็ติดเจออะไรก็ติดเจออะไรก็ต้องเป็นเสียเวลาเป็นเลอศเถอะเปืเ้อนกับเขาเรื่อยเห็นก็กินเหล้ากับเป็นขี้เหล้าก็บเขาพักเห็นก็เป็นขี้อะไรก็จะไปเป็นขี้ก็บเขาพักนึงพวกเนี้ยมันบวชไม่คนแล้วยังไม่สามารถทําให้ใบและดอกสะอาด ท่านได้เปรียบว่าบัวเนี่ยมันยอดเยี่ยมอยู่อย่างมันเกิดในโคลนตมแต่โคลนตมไม่ติดดอกติดใบดุดใจไปหมดเลยไอเรานี่เป็นไงกันส่วนใหญ่พวกอย่างแม่นั้นเนี่ยแหมเจออะไรก็ติดเจออะไรก็ติดเห็นก็เล่นการพนันก็ติดการพนันเห็นก็แทงหวยถูกก็ติดไอ้ก็บเขาแทงมันทุกงวดไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแทงว่าแทงถูกก็ติใจ แทนที่ว่า อ, อแทงถูกก็อย่าประมาทข้าวหน้าเดี๋ยวโดนกินชุดไหมเฮ้ยคราวนี้ถูกน้อยเดี๋ยวข้าวหน้าถูกหนักกว่านี้เนี่ยมันบาลเหมือนกันเนี่ยมันไม่ใช่บาลรับธรรมนะมันบานลรับอใบยมุกเนี่ยมันบานลรับอใบยมุกมันจึงเทียบกันไม่ได้กับคําว่าพวกบัวพ้นนะ้ํานี่ยท่นี้ต่อมาก็คือพวกที่มีสติปัญญาปานกลาง มีสัมมาทิฏฐิเหมือนกันแต่ไม่ได้เข้มข้นไม่ได้แข็งถึงขนาดว่าความเห็นเนี่ยถูกต้องเข้มแข็งชัดเจนมันยังมีคุมเคลือนิดนิดแต่ได้อาศัยถ้ามีใครมาช่วยฝึกเพิ่มขึ้นนะฟังธรรมวิ จ, จนาตามแล้วมีกลุ่มมีคณะเขาไปฝึกเพิ่มก็ไปเข้าคอร์สปฏิบัติเพิ่มเพิ่มหลายๆคอร์สเขาก็ เออหลายๆจอบเขาก็ไปได้เหมือนกัน อ, อสามารถจะไปได้แต่ว่าช้าก็เขาหน่อยต้องไปอาศัยแรงผลักจากเพื่อนที่เขานำปฏิบัติบ้างสำนักต่างๆที่เขานำปฏิบัติบ้างไปไปมาๆก็เลยบ้านไปก็บเขาได้เหมือนกันในวันถัดๆมาไม่สามารถรับปุ๊บสว่างปับ๊บแจมแจ้งทันที แปลว่าค่อยๆคล้ายๆกับใบคล้ายค ร, ครวนทบทวนไหลรอบพอใครครวนทบทวนไปมาเริ่มเข้าใจยิ่งมีคนคอยสกิดคอยแนะได้กัญญาณมิตรที่ดีใกล้ชิตดีแนะนําดีก็บานได้ก็พน้ําได้ส่วนพวกทีสามเนยยะพวกมีสติปัญญาน้อยมีสติปัญญาน้อยแต่มีอะไรพอสมควรมีสัมมาทิฏฐิ คือเห็นอะไรถูกต้องตามความเป็นจริงอยู่ในคันรองครองธรรมของคุณงามความดีไม่ใช้คําว่าพูดง่ายๆพวกนี้ไม่มีคําพูดลี้หลุดปากเลยคําว่าทําดีได้ดีมีที่ไหนทําชั่วได้ดีมีถมไปไอ้พวกคนพูดแบบนี้นะก็เรียกไม่มีสมารทิฏฐิแต่ถ้าบอกทําดีดีทำดีเนี่ยไม่ทันทำเลยคิดจะทํามันก็เริ่มพอลงมือทําก็ยิ่งทําเสร็จสันดานอิสัยก็ยิ่ง มันไม่ต้องบอกว่าทำดีได้ดีหรอกมันดีเลยทำช่วยไม่ทันทำเลยคิดจะทำก็เริ่มพอลงมือทำทำเสร็จสันดาลหนักพอเดิมเอองาขุดไปใายดินเลยไม่พอมันเนี่ยก็เรียกว่าพวกเนยยะยังที่จะพอมีความเข้าใจที่ถูกต้องอยู่บ้างแต่สติปัญญาเนี่ยไม่เข้มแข็ง ไม่รวดเร็วไม่ว่องไวไม่เปลืองปลาดแบบฉลาดรู้เท่ารู้ทันรู้แก่รู้กันไวกว่าคนอื่นเขาอาศัยมีทุนดีนิดหนึ่งคือสัมมาทิฏฐิแต่สติปัญญายังต่ำกว่าคนอื่นเยอะแต่ว่าในที่สุดก็รู้ถ้าเขาเข้าใจไม่เหืหนางมาปรรษาแรกก็ไม่ค่อยรู้เนะเพออยู่บรรษาสองรรษาสาดีขึ้น ปีสี่ห้าเนี่ยเออเดี๋ยวปีหน้าน่าจะจัดนะแม่ข้าวดีเด่นแห่งวัดสนแก้วเ <c oughs> คจะได้ถ <c oughs> ้ใครเดี๋ยวเทียบเคียงดูเออเนี่ยเขาเรียกว่าอย่างน้อยก็ไปอยู่ที่ไหนก็ดีที่สุดในที่นั้นไม่ถึงกันบรรลุเป็นพระหรันก็เรียกว่าไปอยู่ที่ไหนคัดเกรดเลือกกันแล้วไม่ตำโลผีก็แล้วกัน พอจะไปอยู่อันดับบวยกับบวยแมไ ม, ไ ม, ไม่ไม่หลุดอะไรถ้าสอบก็เรียกเกือบได้ก็เกือบตกอยอมเอาไหนเอาเกือบตกเ <c oughs> นี่ยพวกเนยยะพวกเนี้ยเกือบตกแต่ยังได้สอบเเกือบตกเลยแต่ยังได้มันก็ดีกว่าตกไหมไอพวกตกนี่คือพวกอะไรพวกสุดท้ายพวกปะทะ บาลมะพวกนี้ตกเลยไม่โผไม่เบ่งไม่บานเป็นบัวที่อยู่ใต้น้ําแล้วยังไม่พอนะพอก็ชวในให้พ้นน้าปท ะ, ะมีอาจารย์คนหนึ่งท่านแปลกๆดิปทะบาลมะบุคคลแปลว่าบุคคลนี้มันชอบปะทะไว้ก่อนพราะใครสอนอะไรมามันปท ะ, ะไว้ก่อนถึงกับแบบถูกก็แ่าที่สอนน่นะใช่ได้ไอ้แบ อะไรมันจะย้อนนี่มันจะย้อ น, น, น, อนถ้ามันนั่งฟังเทศวันนี้ที่เทศมา น, น่ะใช่ได้เปล่าเอามาจากสูตรไหนเออามาจากพระสูตรไหนมันจะถามที่มาที่ไปมันไม่สนใจเนื้อความเอเอนี่ท่านแปลว่ามันพวกปะทะไว้ก่อนเขาบอกพระพยอมเทศวันอาทิตย์แต่ก็เทศไปเกี่ยวอะไรกับกูกูไม่เคยจะไปมานานแล้วพวกนี้มัน ปะทะเลยมันเป็นโอกาสยากจึงเรียกว่าบัวใต้ต่อมใต้ใต้น้ำเนี่ยผมว่านะใต้ต่อมและถมด้วยคอนกรีตอีกตั้งหากนี่โบกคอนกรีต ท, ทับเลยไอ่เงี้ยละก็เรียกว่ายากยากที่จะผ่านได้พวกที่ไร้สติปัญญาและยังเป็นมิจฉาทิฏฐิเอาด้วย มันเป็นคนเห็นผิดเป็นชอบเห็นชั่วเป็นดีเห็นกงจักเป็นดอกบัวอยู่เรื่อยพระเทศนี้มันเห็นเป็นดอกบัวแล้วเห็นเป็นกงจักพระเทศมันเห็นเป็นกงจักแต่เล่ายามันเห็นเป็นดอกบัวพวกนี้พวกนี้เป็นพวกใต้คอนกรีตยากที่จะมีโอกาสได้เบ่งบานได้รับแสงแดด ยากที่สุดเลยแต่ในปัจจุบันนี้ก็ว่ามันมีอีกพวกหนึ่งนะบัวเหล่าที่เพิ่มใหม่พวกหนึ่งอยากฟังไหมอันนี้นอกคัมภีร์หน่อยนะให้ตะกี้นี้สีเนะี่ยในคัมภีร์แต่พวกนักปรัชทางศาสนาก็จัดเข้ามาว่าในปัจจุบันนี้มันเกิดอีกเหล่าหนึ่งเออนี่ก็น่าตกใจนี พวกที่น่ากลัวกว่าสีเหล่าก็ว่างี้ก็ะนั้นเขบอกว่าเหล่าที่ห้าเนี่ยมันน่ากลัวกว่าพวกสี่เหล่าทั้งหมดนึงคือจําพวกตกสูงเป็นบัวก็ขึ้นหิ้งอ่ะแต่มันตกลงมาสูงก็แตกกระจายเละไหมเออความหมายมันเป็นไงยังไม่เข้าใจต้องเป็นบัวเหล่าเท่าไหร่ก่อน ยกหัวข้อว่าเป็นบัวตกสูกนี่ยังไม่เข้าใจเขาขึ้นยิ่งบูชาแล้วมันตกลงมามท่านอธิบายกันว่ า, างี้คือหลงเข้าใจว่าตัวเองทำดีทำถูกแล้วก็สอนคนผิดทางศึกษาปฏิบัติทำแบบผิดผิดผิดทางพุทธศาสนาหรือจำพวกหลงความรู้ที่มีในตน แต่ไม่สามารถนำพาหมู่คนให้พ้นจากทุกได้ไม่สอนคนให้เข้าถึงฝั่งคือความว่างจากความทุกข์ว่างจากเครื่องร้อยรัดเป็นจำพวกบัวใต้ตมเอาหินทับคอนกรีตโบกอีกไม่มีโอกาสที่จะโผล่เลยนอกจากไม่โผล่แล้วจะถูกมเบนกรรมอะไรตามซ้ำมาก็ได้ เรียกว่าบัวนอกมิมติบัวพวกนี้เป็นบัวนอกมิติอันตรายมากนะถ้าถามว่าเนนแอเนี่ยแกสอนตามหลักธรรมพุทธศาสนาไหมเนี่ยไปหลงตนว่าศักดิ์สิทธิ์ขังวิเศษวิโสเนี่ยค น, คนอึ้นบูชากันระดับในพงในผลเป็นสานุศิ์ แล้วมาสองวันโยมได้ดูป่ะหมาเนี่ยนะท่านเนนแอไม่ถูกจับเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมวันนี้เนี่ยเขาไม่ให้ประกันเนี่ยเนี่ยเห็นไหยฝากขังเนนแอร์คานประกันเพราะกลัวว่าจะมาทำให้ญาติโยมลหลงไหลอีกตอนนี้มนเสื่อมอย่างสุดๆมนเสื่อมเกิดอะรไรมหมสามาัยมินึกว่าไอ้ประเทศจีนเนี่ยประจิงโปัปโองกงอะไรเนี่ย โอ้โหมาจองกุมารสีพึ่งจองกุมารสีพึ่งจองอะไรต่ออะไรที่เสก เ, เนี่ยแล้วยอมได้ดูไหมเมื่อคืนเนี่ยก็ออกอีกที่มีแต่งชุดลุสีแต่งอะไรต่ออะไรแบบโอ้โหนักบวชนอกศาสนาเลยอะแบบของเขาอะ่ะบานเลยนะเก้าคนสิบคนเนะมันน่าสลอนเขาย้อนลอยนเนินแอ่งไง ตังแต่ถูกจับเขาก่อนเมียมันตายเพราะเมียนั่นเะน่ยเขาก่อนติดคุกเพราะเมียประทำใครคมคืนใครเมียทําคลิปไทยไว้หมดแล้วไปแจ้งตํารวจเลยติดคุกตั้งเท่าไหร่รู้ไหมคดีเนนแอร์เนี่ยคุกร้อยปีเพราะทํำหลายคดีไงคมคืนเป็นร้อยร้อยคนอะไรเงี้ยคนละปีมันร้อยคดีมันก็ต้องร้อยปีแล้วก็มาติดเจ็ดสิบหลือกี่สิบหรือสิบปี ว่าตอนอยู่ในคุกเป็นนักโทษชั้นดีหน่อยเราว่าพระพุทธตาสอะไรเนี่ยติดคุกปิดตังตั้งสิบสล้านมีคนไปให้แล้วก็สอนผิดทางสอนอย่างนี้แหละแต่ว่ามันมีคนบูชาขึ้นยิ่งแต่แล้วก็พัดตกจากหิ่งเพราะไม่ระวังฐานธรรมที่ควรจะถูกต้องอยู่ตรงไหน ฐานยิ่งที่ตั้งวางไม่ดีก็พลัดตกหล่นเจ็บได้เพราะฉะนั้นเป็นบัวประเภทตกสูงขุกยกย่องบูชาเทิดทูนอย่างสูงสง่งเป็นครูบาอาจารย์คนจำนวนหนึ่งแต่เป็นพวกบัวใต้ใตน้ำใ ก, ใกล้เคียงกันใต้น้าต่อใต้น้าแต่ตกจากใต้น้าไปอีกอยิ่งไปลงไปอะไรก็ไม่รู้ล ก็เลยเรียกว่าบัวนอกมิติซึ่งเวลานี้ก็กำลังยิดมีพระที่สอนผิดๆแล้วยอมเป็นสานุสิทธิ์ใครจำท่านกเกษมได้ไหมพร ะ, กะเกษมยังจำได้อยู่ใช่ไหมที่ถีบพุทธรูปอะไรแต่ยอมเชื่อไหมว่ามีคนนับถือเยอะยอะมากมีเครื่องบินมีสนามบิน เออนะมีสนามบินมีเครื่องบินไปลงที่วัดเลยอะ่ะขึ้นอันดับสูงเลยอะ่ะมาเทศมาตั้งหลายปียังไม่มีเครื่องบินส่วนตัวเลยยังไม่รู้จะทํานําบินตรงไหนะแต่นะ่ะสูงเลยแหละแต่แล้วก็ตกเจ็บถกจับสึกไปแล้วพวกที่ไม่ได้พาคนถึงฝั่งดับทุกขว่างจากความทุกข์ ไม่ได้แกะเครื่องร้อยรัดไม่ได้พูดเรื่องใครยงใครเหยือ่อไอ้พวกกุมารทองสีพึ่งมันพวกเหยื่อล่อพวกปลาหน้างโงนนี่เมื่อกี้ก่อนที่จะมาเทศเนี่พอดีเลยเปิดดูข่าวเที่ยงป้ายภาพเนนแอนเนี่ยฉีกลงหมดแล้วอะไรข้างทางเกินเลยรู้ไหมสีพึ่งกุมารทองของเนรแอ ไปทิ้งข้างทางกันหมดแล้วตอนนี้ใครเจ๊งอ่ะไอ้พวกลูกศิษย์ที่เป็นยี่ปว่สซา ป, ปุ่นที่ไปประเทศจีน่ะทำทรงทาทรงพอรู้ว่าเนนแอติดคุกมันก็คายกันไอ้ตอนจตุคามลามเทพที่หลวงหนุยศึกไปแล้วไปเทียวจองติดเกตตายใครก็เลยไม่แฝนเลยจตุคามตอนนี้สีพึ่ง กูมานทองเยนแอร้างสต๊อกค้างต๊อกไม่พอเนะเอาจากสต็อกไปทิ้งค้างถางอย่างนี้เขาเรียกว่าบัวตกสูงไหมมันขึ้นสูงแล้วมันก็ตกเพราะมันไม่ใช่ของจริงมันเป็นของปลอมมันเป็นเขาเรียกอะไรศาสนาเนืองง้องอกนี่ชัรมมปฏิรูปเขาเรียกกันแบบเนี้ย ไม่ใช่ของดับทุกข์ไม่ใช่ของจริงจึงไม่ค่อยยืนยงไม่คงที่งอนแงนคอนแคนไปตามสถานการณ์ช่วงไหนกระแสขึ้นก็ขึ้นช่วงไหนกระแสลงก็ยางเ น, เน้นคํานี่คนนับถือไม่ใช่น้อยนาทีแรกไปบรรยายที่เดอมอโคลาดเนี่ยเชื่อบปล่าถ้ามาบรรยายมีคนฟังแค่พันสองพัแต่เน้นคํานะหมื่นหนึ่ง ก็ไม่ใช่เล่นะนะพวกนี้แล้วก็ตกเจ็บตกสูงกลับเข้าป ร, ประเทศไม่ได้เพราะแกสอนอะไรอ่ะเทศกับชาวนาดันเทศเรื่องไปคุยกับพอินอนเี้ยเกี่ยวอะไรกับชาวนาข้าวราคาถูกปุ๋ยแพงแทนที่จะเออเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนทำยังไงดันไปคุยกับพระอิน ชาวนาจะได้ไรรู้เรื่องพ่ออินแล้วชาวนาก็ยังมึนกับปุ๋ยแพงชาวนาก็ยังมึนกับข้าวราคาถูกชาวนาก็ยังมึนกับหนี้ทกศแทนที่จะเทศเดิงปลดหนี้ทกศออยังไงอันนี้มันถึงจะถูกสเปกกับชาวนาผู้ทุกยากในการทำนาเพราะฉะนั้นพวกนี้จึงเป็นพวกเนี่ยบวานอกมิติเป็นเรื่องน่ากลัว แต่ว่ามันก็ทําให้คนเนี่หลงได้คนก็จะเป็นลูกค้าถาวรลูกศิษย์นิรันดรพวกนี้แล้วอย่าลืมนะว่าติดคุกแล้วก็ลูกศิษย์จะคลายเชื่อไหมตอนนี้ก่อนติดคุกอะ่ะยังมีพระไปไหว้นีกก่อนพระอีกไปไหว้นีกก่อนมันเมื่อวานมีข่าวว่าพระกราบแม่วันแม่ที่แล้วเนี่ยกคณะํานักพุทธก็ต้องประกาศว่าไม่เหมาะ ที่จริงอะ่ะไม่ต้องกราบแค่ยกมือไหว้นิดนึงอะไรนี่แต่ไปกราบแล้วตนหน้าคนไม่รู้โชว์อ๊อฟหรือว่ายังไงตมาเดินผ่านนุชเซลีแม่นึกว่าแม่เป็นพระหันกลองลูกยกมือไหว้นิดนึงไม่ใช่ไปกราบประหลกุกประหลุกตอนคนเยอะๆอันนี้มันกแ็แลไม่เหมาะเพราะคารวาสก็เป็นเพศที่ยังไงก็ยังวนอยู่ในเรื่องกินกรรมเกลียดพระเราขึ้นมานี่ แต่ให้นึกว่าเรากราบพระอาราันเฉพาะของเราไม่ใช่โยมผู้หญิงอื่นนะได้เฉพาะโยมแม่เพราะว่าพระจำบรรษาเนี่ยห้ามไปในสามเดือนแต่ถ้ายมแม่ป่วยเนี่ยพระไปได้เจ็ดวันไปผ่อนยาให้ยาเช็ดหน้าเช็ดตาได้แต่เจ็ดวันต้องกราบพุทธาวก็สนับสนุนเรื่องกระตันอยู่ต่อแม่ สรุปว่านี่ถ้าพวกเรานึกถึงตอนนี้เราน่าเป็นห่วงศาสนาไหมพวกบัวตกสูงพวกเนียบัวนอกมิติเนี่ยมันกำลังเบ่งบานในบ้านเมืองเราทำให้พระพวกประเภทออกมาขายของขลังศักดิ์สิทธิ์เนเนเราอยู่ที่ไหนอป่ะโยมไอ้ลายที่เนนแอมาพักบ้านอยู่ตรงไห น, น หางจากวัดนี่สามสี่กิโลเองอันเย้ยเราก็เกินเนาะที่นี่สอนยังไอท้ทีนั่นสอนยังห่างกันทีเดียวจากนี่ไปห่างจากนี่ไม่ถึงสิบกิโลบ้านที่เน้นแอบ์มาอยู่กับผู้หญิงที่ฟ้องร้องแกเนี่ยแต่ว่าตามรูปการแล้วเท่าที่จะมาเคยเห็นตอนไปเทศต่างประเทศเนี่ย ขอไปผู้หญิงไทยที่มีสามีฝรั่งเนี่ยจนเอยาก็เป็นคนอีสานบ้างอะไรมั้งแคไม่ค่อยมีพื้นฐานความรู้ด้านศาสนาไปนี่ก็จะถามหาแต่เรื่องแล้วพระเนี่ยไปไปมามาที่แรกก็เป็นธรรมทูตต่อมาไม่รู้เป็นอะไรเป็นเทวาทูตหรือเปต่อมาไปเป็นพระหมอดูทําพิธี พยมชอบถ้ามาไปเนี่ะพอามากราบมาไหว้เอาท่านช่วยเจิมหน่อยดิท่านช่วยเสร็จให้หน่อยอาทาไม่เป็นโดนด่าเลยเอะไรบวชตั้งนานใะรก็วัดดังไงแค่นี้ก็โง่เลยทําไม่เป็นม <c oughs> ันก็ต้องยอมมันเราก็ถูกมองในสายตาของเขาว่าเรางี่เง่าทําอะไรก็ไม่เป็นตามที่เขาต้องการ ถ้าเราจะบอกว่าท่านผู้รู้รู้แล้วคงขำแต่เราก็ต้องกระทําเพราะคนโง่ยังมีอยู่ตรงนี้แต่มาก็คิดอยู่เหมือนกันไอ้ที่มันแย่จริงๆถ้าเป็นเด็กฮะพอสอนมันไม่รู้เรื่องพ่อเบาหัวหน่อยเราก็ต้องมีอุบายของเราอ่ะให้มันมากราบที่มือแล้วก็มือรูกหัวก็ให้มันท่องตามไม่ดู อ, อย่างเดียวทุกอย่างดีหมดเพียง อ, ออแล้วแม่ก็บอกจำไม่นะคํำนี้สําคัญไม่ดือ้อย่างเดียวทุกอย่างดีหมดแม่เมื่อวานนี้สอนเด็กผู้หญิงคนหนึ่งได้ยังดีนะมันยังรับฟังนะแม่ก็ร้อง่ายพอ่อช่วยทีเถอะฉันเลี้ยงลูกไม่เป็นฉันเลี้ยงลูกไม่ดีปลุกเขาตื่นแต่เช้าให้ไปโรงเรียนมันก็นตะห ว, วาดขึ้นมึงขึ้นกูเลยเนยะกูจะนอนมึงจะเคี้ยวเข็นกูไปถึงไหน นี่ยลูกพูดกับแม่มนเงี้ยกูจะนอนมึงจะเคี้ยวเข็นกูนไปถึงไหนโอ้ยถ้าน่าจะเป็นเด็กปห้าปสี่ปห้าเด้แม่ก็พามาร้อง่ายอืมไอ้นี่มันบัวมันบัวอะไรตังนิยมบัวอุทจพิษบัวมีพิษมาเกิดแล้วสอนแต่ก็ยังดีนะมันก็ยังยิม้ม มีอยู่ไลนยนี่เนี่ยแม่เขาพามามันจะไปห้างแม่พามาที่เนี่ยมันยิกแม่ตะลักนู้นก็มาเห็นมันยิกยิกยิกแลมานั่งเนี่ยเ็าให้แตมาสอนขอนพระสักมโอ้โหอย่างนี้ก็เรียกบัวอะไรอเนี่ยพวปะทะบลามะแม่มาฟังดำามันปะทะเลยพวกนี้แก่ยาก พุจ้าถึงบอกว่าเราเป็นผู้สอนบุรุษที่ควรสอนบุรุษที่สอนไม่ได้ในโลกนี้มีอยู่ไหมสตรีที่สอนไม่ได้มีไหมมีเพราะนั้นเราก็ต้องเลือกเท่าที่เราทําได้ก็แล้วกันเออเทศไปวันนี้ใครจะพ้นไม่พ้นก็ช่างเขาเถอะนะใครจะบานจะหุบก็ช่างเขาแต่เราทําหน้าที่ของเราให้รู้จักว่าเออ เอาตันนี้ตัวช่วยเออเรามาหาตัวช่วยที่จะทำให้เราเนี่ยเป็นบัวพนน้าดีไหมตัวช่วยที่จะทำให้เรารู้ทันรู้เข้าใจเร็วเข้าใจไวท่านบอกว่ามันขึ้นอยู่ที่สัมมาทิฏฐิเนี่ยมันถูกทำยังไงให้มันเพิ่มปริมาณเพิ่มปัญญา พนวกกับสัมมาทิฏฐิท่านบอกว่าทิฏฐิเนี่ยมันขึ้นอยู่ที่ผัดสะถ้าเราผัดสะฝ่ายไหนเยอะๆได้พบได้เห็นได้สัมผัสกับคนปิ้นปลาดเป็นบัณฑิตที่มีปัญญาอย่างเมื่อกี้ก่อนเนี่ยได้ยินหลวงพ่อพุทธทาเทศใช่ใครเข้าไปสำนักไหนผัดสัมผัสแล้วซึกออกมาถึงแม้จะไปมีครอบครัวก็ยังเป็นบัณฑิตนำครอบครัวท่านก็เรียกว่ามีทิฏสองทิฏอ่ะ ทิศหมดแล้วไม่รู้เรื่องท่านเรียกว่าทิศถึดถือมันดิดซึบมือไอ้ทิศถึกถือเลแต่ถ้าทิศที่สึกไปฉลาดนําครอบครัวไปรอดเข้มแข็งมั่นคงมีทั้งเศรษฐฐานนะไม่แพ้ใครในสังคมมีฐานทำแน่นฐานเศรษฐกิจครอบครัวดีมีฐานวิจารณญาณการศึกษามีดีกรี ทางการศึกษามาดีอะไรก็แล้วแต่รวมแล้วท่านบอกว่าคนนี่ถ้ามีสมาธิตินะยังไม่พอเท่าไหร่ถ้าเขาเกิดไปผัดสะคนที่ไม่มีสมาธิติมากๆสิ่งแวดล้อมเขาเนี่ยมีแต่คนมิจฉาทิฏฐิเยอะๆเขาอาจจะแอบสมาธิติก็อ่อนได้ด่าเขาแปะเปื้อนได้ซึมซับเอาพวกที่พุทธเจ้าว่ายังเวเสวติตาทิโส คบคนใกล้ชิดคนเช่นไรมักจะเป็นเช่นนั้นแต่ถ้าเรามาคบปราดบัณฑิตมีสิ่งแวดล้อมที่มีแต่การศึกษาอบรมเรียนรู้เราก็มีวัฒนธรรมไฟรู้ไฟรู้ใกล้ผู้รู้อยู่กับผู้รู้สิ่งแวดล้อมสนับสนุนให้เราเป็นผู้รู้เราก็เป็นคอแรกเลยเป็นบวชพ้นน้าได้ เป็นอุกติตันอยู่ได้แต่ถ้าเราเนี่ยดันพลัดไปอยู่ในที่คนโง่คนเลวคนชั่วยมเชื่อไ้ยว่าในคุกเนี่ยคนที่ไม่เคยทําผิดคดีอะไรเลยแต่พอเข้าคุกแล้วออกมามันได้วิชามาณมามันมันถึงได้ขายอะไรยาบ้ายาอะไรกันในคุกอะ่ะมันเพราะอะไร ก็เพราะว่าในนั้นมันมีแต่อย่างนั้นแล้วทําให้นึกถึงวันมาไปเทศิอย่าเอ่ยจังหวัดก็เลยเดี๋ยวมันมาเรื่องเรือนจําภาคตะวันออกมีอยู่เรือนจําหนึ่งแต่มาเทศจบก็ให้สินไนพรตอนท่จบว่าขอยก็ได้เป็นนักโทษชั้นดีกลับไปอยู่กับครอบครัวได้รับอภัยโทษอะไรเงี้ยโดยเร็วทุกกันทุกคนเธอมันมีนักโทษที่นั่งข้างหน้าเราสายหนาแทนที่จะเออรูปหัวเสยหัวเลยนะ กมแล้วก็มือเยอัวแนละ้วเท่าที่เราเห็นใช่ไหมไอ้ น, นี่มันใสหน้ามันเหมือนว่าเราให้พรไม่ถูกกไม่ถูกจริตไปแล้วพอตอนจะขึ้นรถไอไทยทานก็ถูกนักโทษชั้นดีที่เขาเลื่อนเป็นช่วยผู้ช่วยผู้คุมมันก็ยกมันจะไว้เราที่รถอดไม่ได้น้องๆนะถามหน่อยกี้เราสังเกตไอ้นักโทษแถวหน้าเนี่ย ทำไมมันสายหน้าตัวเราให้พรว่าขอให้มันพ้นโทษเร็วๆให้กลับไปอยู่ครอบครัว ก, กว็หลวงพ่อให้พรมีทุกไก่พวกนี้พวกนี้มันได้ประโยชน์ในนี้เยอะออกไปข้างนอกมันก็หากินไม่ได้ทานะไปนี่อยู่ในนี้เนาะมีทังซื้อที่ซื้อทามแล้วมันถึงได้ขายยาบ้าอะไรกันในนั้นต อ, อนก่อนมันทำชั่วอะไรไม่ค่อยเป็นอ่ะช่องทางหาขี้ขายยาไม่รู้เรื่องหรอกแต่พอไปอยู่ในนั้นน่ะ ห <c oughs> ลาดยาววิทยาลัยอะไรพวกอาบัติก็เลยฉันนึกว่าเรือนจำนี้ต <c oughs> อนนี้ก็ถึงจ ะ, จะเริ่มทำกันใหม่แหละไม่งั้นไม่ไหวหรอกเข้าไปน่ะผู้คุมมันน้อยนักโทษมันเยอะแล้วมันก็มีขายใหญ่มีทิพลสร้างทิพลเยอะมากถ้าคนที่ ถึงแม้ว่าพ่อแม่เป็นตระกูลสัมมาทิฏฐิมาแต่บังเอิญพลัดไปอยู่ในแหล่งที่มันต้องกั้นข้ามกับสัมมาทิฏฐิเป็นวิชาทิฏฐิอินเยอเหลือเกินมันก็ถ่ายทอดมาถ่ายทอดผ่านหูผ่านตาผัดสะเราเรื่อยๆเราผัดสะมาเรื่อยคล้อยได้เคลิมได้และก็เปลี่ยนทิฏฐิของชีวิตทฤษฎีใหม่ของชีวิตกลายเป็นลายเลยได้ ก็ อ, อย่างพระที่เคยเล่าว่าเพื่อนในตรรมานี่แกเปิดสํานักบําบัดยาเสพติดและไอ้นักติดยายพวกยาเนี่ยเสียนยาแล้วมันคลัง่งมันยิปทุทธลูกที่มีเสียนแหลมอ่ะจะแทงท่านท่านก็เลยไม้น่าสามป่ายไปโดนก็เลยทัดดอกไม้ตรงเนี้ยมันเป็นจุดรวมประสาทป๊ะตายเลยเขาก็จับท่านสสพติดคุกพอออกจากคุกพ้นธนาคาร ออนไลแฮะใคๆก็บอกไปได้เพาะ น, นอยู่ในศาสนามาต้้งนานก็ไปได้นะอย่านึกว่าแม่ขาเนี่นะมาอยู่วัดสวนแก้วแล้วจะดีทุกคนนะแน่ออกพรรษาไปอยู่ที่ไหนระวังนะจะกลับมาแล้วจำไม่ได้เลยใช่คนเดิมเปล่าอย่างญาติมาคนหนึ่โ้ตอนมันเป็นสาวรุ่นๆุนเด็กๆนะมันไปวัดทุกวัน ทุกวันพระเลยจากบาทไปวันพระทุกวันต่อมามันไปได้ผัวนักเล่นการพ น, นันแล้วผัวเนี่เปิดบ้านให้มันเก็บต๋งเขา้าใจไหมเก็บต๋องนี่มาเล่นเก็บไปเก็บมามันเพลินเลยแต่เยอะมันไม่มาวัดอีกเลยมันเอาต๋องเป็นวัดแล้วต๋องเป็นบุญเนี่ยเพราะฉะนั้นท่านบอกว่า ถ้าเราจะเติมสัมาทิฏฐิให้เราเป็นบัวพ้นน้ําเราจะต้องอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ที่ดีที่สนับสนุนให้เราหลุดพน้นให้เราพ้นน้ําพน้ตพนตมพ้นโคนเนี่ยต้องเป็นอะไรฮะเป็นวัดที่สนับสนุนพูดเรื่องพ้นทุกข์ให้เยอะๆให้คลายเยื่อให้มองเห็นสิ่งที่คนอื่นเขาหลงเขาติดเขาทุกข์เนี่ยเราเห็นแล้วต้องสะดุง้งเสแยเสียงเลย ไม่ใช่อเ็ดอร่อยมันปลาหน้าโง่พอเจอเหยื่อก็งับเลยในพรานเบ็ดก็วัดเอามาขอดเกต็ตแหวะไสใสกระทะต้มเละเลยนี่เพราะนั้นเราต้องคำนึงถึงตรงนี้จะทำให้เรามีสติปัญญาถึงขั้นพ้นน้ำได้เป็นอุกติตันญยูรู้เร็วรู้ไวได้ต้องอาศัยผัสะ ที่ดีเยอะๆพรรษาที่ให้ความรู้เรื่องพ้นทุกยุ่ยยืแลวมันก็จะเป็นบัวพ้นน้ำได้ง่ายส่วนข้อที่สองถ้าเรายังเป็นคนมีสติปัญญาน้อยแต่ว่าเราก็ยังมีสัมมาทิฏฐิพร้อมที่จะพ้นในวันต่อไปได้หรือโอกาสต่อไปได้หรือเอาพูดง่ายๆนะอย่างแย่ที่สุดชาตินี้ไม่บรรลุ ก, กับเขาไม่พ้นน้ำก็เขาเปิมๆอย่างเงี้ย แต่เพิ่มบรารมีไว้เรืเ่อยๆเรื่อยๆสะสมแต้มชาตินี้ไว้เรืเ่อยๆถ้ามีโอกาสเกิดอีกก็ยังที่เขาบอกว่าเป็นโสดาบันอีกเจ็ดชาติเจ็ดอะไรก็จะป้นหมดพบหมดภูมิหมดชาติหมดสังสา ร, รวัฏแล้วก็แล้วแต่เอาละเรามันยังน้อยสติปัญญามันยังรับทุกอะไร อ, อะไรมาให้ขุนมัวอยู่เรื่อยๆแผล สั่งสมแต้มไว้เรื่อยๆยังดีกว่าไม่มีแต้มเลยเกิดมาจานนานนวลเขาเรียกไม่มีอะไรปุบเพกะตะบุญญตาเก่าหรือเขาเรียกบุพเพสันนิวาตอะไรเก่าๆที่เรามันไม่มีเลยเรามีฐานบุพเพสันนิวาสเก่ากะตะบุญญตาเก่าบุญเก่าที่สั่งสมมาดีๆเนี่ยมันก็จะทําให้เราข้างหน้าอาจจะแซงจากข้อที่สองเป็น ข้อที่หนึ่งถ้าไอ้พวกข้อที่สามก็คอยล่นไปเป็นข้อที่สองในชาตินี้เกือบจะเป็นผู้พน้นน้ชาตินานดันุดปีเพราะมันไม่เพิ่มแต้มไอ้อย่างนี้ก็แย่ไหมเ อ, อ่อยังไงเราก็เพิ่มแต้มชาตินี้ไว้สะสมเก็บเบีย้ยแต่ตุนล้านไว้ยังไงก็ไม่ใช่เป็นคนมือเปล่า ยังมีอะไรติดไม้ติดติดอูติดตาติดนิสัยสันดานพร้อมที่จะแบ่งบานกับเขาสักชาตินึงก็ยังดีไหมเออนั้นมาทุกวันนี้เพื่อจะเก็บแต่แต่เราเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันต้องเข้าใจอะคิดอะต้องขอย้ตำตาหนับคนที่ไม่ได้ยินนะเนาะยอมมาวัด ต, าาต้นไม้ตอนเนี้บอกไปทำบุญ แต่แสวงบุญกาววัด่ยถามหน่อยพระพุทธเจ้าออกบวชในโยมท่านออกบวชแสวงหาบุญหรือแสวงหาทางดับทุกข์ไม่มีนะในพระไตรปิอกว่าพระผู้มีพระภาคจิตทัศน์ทรงออกบวชแสวงหาบุญเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ชวนไปแสวงหาบุญที่พุทธกยาไปอินเดียกันนะเนี่ยมันผิดเป้าหมายเดิม ชวนกันไปสแสวงหาบุญประเทศอินเดียถ้าเขาพูดใหม่นะไปสแสวงหาทางดับทุกข์กันนั้นต่อไปนิยมถ้าใครมาวัดสวนแก้วควรตั้งเป้าว่าไงมาสแสวงหาบุญแล้วะสแสวงหาทางดับทุกข์ทาไปไหนวะัดสวนแก้ไปทาไมไปสแสวงหาทางดับทุกข์จะบอกมาสแสวงหาบุญมันตำไปยังเป็นพวกบัวกลางน้ำปิงน ถ้าทำมุ่งหน้าแสวงหาทางดับทุกสักวันต้องได้ผลบักเออยังไงขอให้เป็นอย่างเนี้ยขอให้มันมีอารมณ์อยากดับทุกอารมณ์แส่ที่จะหาทุกมันจะได้น้อยลงนี่พวกนี้ไปแสหาทุกอะไรกันนะักหนาพวกเ่นแอพวกเนี้ยแกบวชแสวงหาทางดับทุกไหมแกไม่ได้คิดเรื่องวนี้ ถ้าคิดเรื่องนี้แกจะไม่เป็นอย่างนี้หรอกจะไม่เป็นบัวตกสูงหรอกไม่เป็นบัวนอกมิติงั้นพวกเรายังไงยังไงนอกจากจะให้เป็นอาหารเตา่อาอ่านปลาก็อย่าได้หลงเป็นเหยื่อของพวกเน้นคำํำของพวกเน้นแอหรือพวกอื่นๆที่จะโผล่ออกมาอีกหลงนงหลงหนุ่ยอะไรพวกนี้อาตุคามลามเทพไปอันนี้ไม่แล้ว ตุ๊กตาลูกเทพไม่เน้ตุ๊กตาลูกเทพวันนี้มีไหมเมื่ออ า, าทิตย์ที่แล้วมาก็ต้องสองสามคนอุ้มเพราะเราจะให้พรแต่ตุ๊กยุ่งไปหมดแทนที่จะลินน้ำไปจับตุ๊กตาพนมมือรับพรแม่ต้องขอย้ำหน่อยนะมันโง่เกินไปนะไอคนซื้อนี่นะไอคนขายก็โง่ตัวละมืน่น มันบอกซื้อหมื่นเดียวอุ้มแล้วรวยเป็นล้าน่ะและไอ้คนผลิตขายมันจะโง่ขายทำไมขายได้หมื่นเดียวมันก็อุ้มใะเองให้รอบเอวเลยอุ้มก้าวตัวเลยก็รวยเก้าล้านแต่มันขายตัวละหมืน่นมันก็ได้แค่เกา้าเก้ามืนเออเนี่ยทาไมคนมันโง่เงี่ยเพราะมันไม่มีความคิดเหตุผลอะไรเห็นเขาลือกันว่าอุ้มแล้วรวย กมอุ้มไปแต่พอเขาเลิอกอุ้มกูก็เลิกมั <c> ่ง <oughs> มันเป็นอะไรที่สงสารไม่ชาวพุทธเรานิมนานสงศารเนะาะทำประเทศจนเหนื่อยแล้วเห็นผลน้อยมากมันมีคนที่เป็นแบบนั้นเยอะสติปัญญาของเขาพร้อมที่จะเป็นเหยื่อ ของเต่าปูปลาเพราะไอ้พวกที่ทำนั้นก็โง่แล้วก็มาทำมาขายคนโงออ่อดับิดโง่เลยต่นนี้ถ้าเ น, นเนนแแงพวกนี้ไม่ไปทำนี้นะแกก็คงดีได้ในระดับหนึ่งไม่คงไม่ต้องติดคุกที่ติดสองรอบนีไ่ไม่เข็ดอีกไม่รู้สึกอพอออกจากคุกมาก็คงวันที่แกออกจากคุกเนี่ยแกประกาศว่าไงก็จ ะ, จะกลับมายิ่งใหญ่เก่าอีก อ๋อแต่ตอนนี้ไปไงแน่ละใหญ่พอเกา่าติดนานพอเก่าแล้วเมื่อกี้นี้ก็ไม่ให้ประกันเลยอืถ้ามาเห็นพวก น, น, นายพลนายทหารไปกลับไปไหวแล้วห่วงประเทศพวามมั่นคงมันจะอยู่ไม่อยู่เพราะว่าศรัทธามันก็ไม่มั่นคงชาวบ้านเมืองอยู่แบบก็อยู่กันเลนแอน เหตุผลในการดูแลบ้านเมืองความมั่นคงมันจะมีเหตุมีผลมีปัญญาอะไรนักหนาในเมื่อเห็นอยู่โดนโทษ็ติดคุกตัวเนี่ยออกมาก็ยังไปไหว้ไปกราบไปกอรบกุยซึ่งมันเหมือนกับว่าเกิดมานี่มีแต่ตัวกระเพาะหัวลืมเอามาไม่ต้องได้ใครควรคิดอะไรหรือเป็นอาหารเต่าปลาเนี่ยเขเรียก บัวเหล่าที่ท้ายนี่มันจะเป็นอาหารเต่าอาหารปลาถ้าใครอยู่ในลำดับภูมิปัญญาตรงเนี้ยคือลักษณะภูมิปัญญาในลักษณะอย่างเงี้ยอุปมาอย่างเนี้ยก็ดีนะที่ท่านรู้จักอุปมาเปรียบเทียบเอาไว้เราฟังแต่ว่าคำดาเนี่ยมีแค่สี่แต่วันนี้ยมฟังกันพิเศษมีบัวตกสูงเพิ่มมีบัวตกสูงเพิ่มก็มาแต่พออนุโลมได้ไหม พอเพิ่มสติปัญญาเราได้ไหมไม่ใช่ฟังแล้วมันเสียเปล่ามันเทียบเคียงได้มันอนุมานประโยคนโน้นประโยคนี้มาเออคิดแล้วทําให้เราเข้าใจอะไรก้างขึ้นลึกขึ้นมันก็น่าจะมีไอ้พรรษะที่ไปส่งเสริมข้อแรกให้เราเป็นอุกติตันญูบวัวพ้นได้เร็วได้ง่ายบางทีแค่สี่เกาฟังไปฟังมายังนึกไม่ออกเห็นโทษไม่ชัดว่าจะตกเป็นพลัดเป็นเหยื่อเต่าปลา จะได้ละมัดละวังได้ไม่เผอไผไปเป็นเหยื่อของเนนแอเนเนคำอะไรที่เกิดเกิดกันมาซึ่งมันก็ต้องเจอทั้งนาเนี่ย ม, มันไม่ใครก็ใครเดียวโพยแล้วก็ลืมไปพอลืมไปก็อ้าวเจอใหม่นึกว่ายังไม่มีคงใช้ก็ไปเจอสซ้รอยเนี่ปัญหาใหญ่ของเอ้าพุทธ ที่ตัเนต็ตเหนื่อยแก้ไขปรับปรุงกันเรื่อยไปไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นข้างหน้ากับศาสนาอีกตอนนี้เนี่ยมันมีเรื่องที่น่าตกใจที่อยากจะฝากไว้ก็คือว่าจำนวนพระก็น้อยลงบวชตามประเพณีมากขึ้นบวชสิบห้าวันบวชประเพณีเดิมกับลดในส่วนที่สำคัญคือบวชตลอดพรรษาพระนวกะ จำภาษาหายไปตั้งหายไปเท่าไหร่ยมครับครึ่งหนึ่งก็ยังดีนะไอ้นี่มันหายเกินครึ่งเ็าบอกหายแปดสิบเอร์เซนเหลือแค่ยี่สิบวัดหนึ่งเคยมีหกสิบรูปห้าสิบรูปสี่สิบรูปปีนี้บางวัดมีสองมีสามมีหนึ่งยังวัดเนี้ยเมื่อก่อนเคยมีห้าสิบรูปปีนี้ได้มาองค์เดียวปีก่อนได้องค์แต่ก็ได้ไม่สมบูรณ์ มันมีอะไรเป็นเรื่องที่เราต้องมาไขรวนกันดูว่าพุทธศาสนาพุทธชาพุทธเราถ้ายังอ่อนด้อยทางสติปัญญาเป็นบัวไม่โปรพ้นนามสักบ้างยินดีที่จะจมจะปลิมอยู่อย่างนั้นนี่มันก็แย่โย่เป็นบัวติดอยู่ในบ้านไม่ได้ออกมาได้รับรู้รับฟัง ไม่ได้มีแสงทำส่องจิตส่องใจเป็นบัวตมูมบัวหุบบัวใต้น้ำอยู่ที่บานกันทุกวันทุกวันมาแย้มกันแต่ว่าเอาละเดี๋ยวนี้ก็ดีนะตรงที่ว่าฐานีวิยุตตะทัศเขาก็มีพระออกรายการเยอะเพียงแต่เรารู้จักปัดรายการไล้สาระออกซะเลือกดูรายการที่ให้ประโยชน์ทางปัญญายิ่งพระฝรั่งเนโอวบางดีพูดเรื่อง เลืดเชื่อเลยไม่พูดเรื่องบุญเลยพูดแต่เรื่องดับทุกข์อ่ะแต่พระไทยโฆษณาเรียอะไรบรรเลยเลยพูดยังไม่ทันอะไรเรียอะไรอีกแล้วพูดยังไม่ทันอะไรเรียอะไรอีกแล้วยมละเหมือนอัตมาเห็นคนแก่ๆที่เขาฝาวัดหลังมุติอัตมานี่นะเขาเปิดดังเออจะชื่อนางอะไรยายอะไรบริจาคเท่าไหร่มันธรรมะหมดไหนนั่งฟัง ดน <gesch uce> well ี่ยไปดูตั้งกตีสี่ตีห้าเนี่ยเลียอะไรตลอดเลียอะไรยันมืดอีกรอบหนึ่งโยมก็เพียบุญไปตามกันและไอ้เรื่องที่สร้างเนี่ยนะบางทีมันก็ไม่ใช่เรื่องจำเป็นอะไรเรื่องไม่ได้จำเป็นอะไรเลเป็นส่วนเกินของศาสนาจะด้วยซ้ำไปเป็นส่วนเกินด้วย ของไม่ได้จําเป็นมากมายเจดีวิหารโบสถ์สร้างกันบอกจริงๆเลยนะโยมตอนนี้จะบอกอะไรให้โบสถ์ที่สร้างกันไปรุ่นเก่าๆก่อนเดี๋ยวนี้ใช้น้อยมากเมื่อก่อนวัดไหนลงโบสถ์วัดนั้นเดี๋ยวนี้พระไม่ครบไงถ้าไม่ได้ห้าองค์ลงไม่ได้ก็ต้องไปผนวกลงกับวัดอื่นเดี๋ยวนี้บางจังหวัดก็าใช้วยน วันพระนี้ส5คาคานี้ไปลงวัดนู้นมาคำนู้นไปลงวัดนู้นแล้วโบสถ์วัดนั้นได้ใช้ปะวัดที่เราเห็นไปใช้อื่นก็ไม่ได้ใช้แต่ถามว่าตอนหลังนี่โบสถ์ราคาแพงกว่าเก่าไหมรุ่นแรกๆก็สร้างกันสามล้านสองล้านเดี๋ยวนี้ยี่สิบสามสิบห้าสิบในจังหวัดนนท์มีวัดเยอะชื่อทีะะ่ห้าสิบประหลสร้างมาเกือบสิบปียังไม่เสร็จยมก็เปรียบุญ ตอนแรกข้าวแพงหลวงพ่อก็เก่งถูกว่าข้าวแพงคงได้เร็วพอสร้างไปครึ่งข้าวดันถูกโยมก็เป็นหนี้ทกศกูจะใช้หนี้ที่ตกลงกับหลวงพ่อวัดผ่อนส่งสร้างโบสถ์เอคิดหมืนส่งทกสอก่อนแล้วส่งหลวงพ่อก่อนถ้าคืนส่งหลวงพ่อก่อนนาถูกยึดต้องส่งใครก่อน หลงพก็ชก่อนหลวงพ่อก็ค้างเหล็กสนิมขึ้นก็ท่านทำซะเกินไปเดี๋ยวนี้วัดที่มีร้อยองค์เนี่แทบไม่มีนอกจากวัดกรุงเทพที่มีเมนเยอะๆพระไม่ได้คิดอ้วงโบสถ์หรอกคิดอ้วงไรายได้ที่เมนพระกินผีที่วัดนี้เลยไม่ให้มีเมนบางวัดที่มีเมนเนี่ยนะองค์ที่จัดกิวดูแลเมนเนี่ยสาราศเนี่ย วัดใหญ่ๆถูกฆ่าตายอย่าเอ่ยชื่อเสียชื่ อ, อ, อจัดกิวสวดไม่เป็นธรรมองค์ไหนชอบก็ให้บ่อยหน่อยองค์ไหนไม่ชอบนันทีทวงหลายเที่ยวก็ยังไม่ให้อีกเลยฟาดจะตายเลยข้างเมนเลยเนี่ยเป็นข่าวอยู่เรื่อยๆเลย ว, วัดนี้เลยไม่มีเมนมีคนมาแค้นจะสร้างใหนะให้ตั้งเจ็ดแปดล้านนะสร้างเมน สร้างวัดอื่นอยู่วัดนี้ไปขอเผาก็สามพันหน้าพันสามพันเขก็ให้แล้วสองพันง่ายสร้างลกที่แล้วเวลาเด็กมาเข้าค่ายอ่ะเด็กมันกลัวผีเห็นศพตั้งเนี่ยหมดอารมณ์สวดมนต์หมดอารมณ์ <c oughs> นอนไม่หลับจะผีจะมาซูไม่มีดีกว่ามันเข้ามาแล้วมันไม่มีอารมณ์หวานนั่งฝังเทศเสร็จก็ไปนอนสบายเนี่ย ก็คิดว่าเป็นวัดไว้แบบนี้แต่ไม่รู้ว่าจะอยู่ได้แค่ไหนพอเราตายแล้วองค์ต่อไปเขาก็อาจจะเปลี่ยนไปกระด้แต่ถ้ารักษาไว้ได้ก็น่าจะดีมันเน้นย้ำว่าทำยังไงเขี่ยเข็นญาติโยมไม่เป็นบัวพ้นน้ำช่วยกันดึงสายทับขาดก็เอาบัวของเหล่านี่แมมันปริมปมอยู่เนี่ยไปดึงแรงก็สายขาดเออ เดินมาเขาก็ใส่ะหาวา จ, จุจีจุ๊จิทำไงข้อสุดท้ายเนี่ยพระพุทธเจ้าบอต้องปล่อยสารถีที่ฝึกไม่ได้ฝึกมาตัวไหนไม่ได้เลยมันพยศเหลือเกินเขาก็ข่าเชื้อเลยไม่งั้นเดี๋ยวมันพายตัวอื่นพลอยดื้อ พ, พุทธเจ้าอ่ะสารถีก็าถามแล้วพระองค์ฝึก พระยังไงอ่ะฝึกลูกศิษย์ยังไงเจ้าก็บอกเหมือนกันแหละคนไหนว่านอนสอนง่ายเหมือนมาที่ฝึกง่ายกไ็ไม่ต้องลงแท่ลงปตักอะไรไม่ต้องลงโทษปรับอบงอบัตอะไรถ้าตัวไหนดื้อกือเกิดก็ต้องฆ่าทิ้งกันนะที่ว่าก็บอกเอาแล้วท่านเป็นพระฆ่าดได้ยังไงคําว่าฆ่าของทางอริยวินัยคือปล่อยก็ไปไม่เทศไม่สอนไม่อบรม แล้วเขาก็จะเจ็บปวดกับความชั่วที่เขาได้ก่อขึ้นโดยไม่มีใครทักทวงตักเตือนเขาก็จะตายจากความดีโดยสิ้นเชิงต่อไปคือตายจากความดีเหมือนกันแต่มันไม่ได้ตายลมหายใจมีลมหายใจแต่ไม่มีความดีเลยตายจากความดีหลุดจากความดีพ้นจากความดีไม่ได้พ้นคนพ้นตม พ, พ, พ้นทุกข์กับเขาเนี่ยจมอยู่ในใต้ความทุกข์อย่างเงี้ย บางทีตายซะเลยยังจะดีกว่าอยู่แล้วทุกทั้งวันร้องไห้เลยเลยน้ำตาไหลเอยเลยไม่เคยแห้งแก้มเลยเออก็ต้องเป็นชาวพุทธที่ยังไงนะไปปรับฐานของเราอย่าให้เป็นบัวเหล่าที่สุดท้ายและก็อย่าเป็นเหยื่อบัวตกสูงรุ่นใหม่ พวกสอนนอกคำสอนพวกสอนไม่ถึงฝั่งแห่งความพ้นทุกข์สอนให้ติดให้หลงให้ยึดแบบโง่ๆเนี่ยตอนนี้มันเยอะมากแล้วแปลกนะที่จะมาเพิ่งได้รู้ข่าวเมื่อไม่กี่วันเนียเขาบอกเส้นกุยจับเลยนะเส้นใหญ่กี่คดีกี่คดีไม่เคยต้องโทษเลยสำนักใหญ่ยยพิทีคนนับถือเป็นล้านๆนี่จัดงานทีต้องคนมาล้านหลาม มีรถไปรับไปอะไรอยู่ยเนี่ยมีคนก็นมาบน่นทาไมไม่จัดรถไปรับตามจุดต่างๆคนจะได้มาเยอะต้ไปรับใช้จัดรถจัดอะไรเว่ยเกินไปไม่อยู่แหนจะมาต้องต่อไปคงจะต้องเอาลัดลดุด <c> ก <oughs> ็ให้ขึ้นหอมันสมัยก่อนเนี่ยเขาเดินไปเฝ้า ไปกราบพรงเวทีฐานนิยมใช่ไหมพุทธบาทสลัพรีเนี่ยชาวบ้านแถวบ้านมานี่นะเขาแบกของใส่สลกไปเพราะจะไปถึงยุดธิยามก็มืดคำ่ำหาที่พักที่นอนสละวัดแล้วก็เดินไปประมาณสามสี่วันนะตรงนี้ไปถึงพระพุทธบาทสมัยนั้นเหลือรถไม่มีก็ต้องเดินไปแต่ความศรัทธาเขาก็ไปได้เขาก็ไปได้ สมัยนี้ต้องจัดรถไปรับเยอะโทษวัดนี้ไม่ดีนะคนเลยมาไม่เต็มโบสถ์ไม่มีรถไปรับรอชาตินาตอนบ่ายๆงอมากยุยงก็เล่นตัวมากอีกนะแล้วแต่ศรัทธาบังคับไม่ได้และเอาใจมากก็ไม่ดีคนเรามันต้องต่างสายกลางานะ รู้ว่าเราไปแล้วได้บุญได้กุศลได้สติปัญญาอัปเกรดยกระดับความเป็นชาวพุทธของตอนเองขึ้นไม่ไปเสริมไปเพิ่มไปยกระดับก็แล้วแต่ครับแล้วแต่ครับแต่มาว่าสมัยนี้เนี่ยต่อไปวัดเนี้ยมันเทียบกับสมัยที่ตอนไฟฟ้ายังไม่มาปาปายังไม่มีไปบ่อตรงนั้นเนะี่ยเป็นที่ตักอาบนา้ํา ต้องหิวแบกกันมาอาบล้างส่งส้างส่วมตักอาบสักผ้าตอนนั้นตอนที่เริ่มไฟเข้ามาใหม่ๆนะเราใช้กันประหยัดค่าไฟเดือนสิบแปดบาทเดี๋ยวนี้เดือนละเก้ามือนกว่าไม่รู้มันใช้กันยังไงมนุษย์พันไหนมันมาเกิดบานพันสุรุยสุลายเนีย่ยมาก่อนเทศนี้ก็ไม่มีพัดลมไม่ยอมไม่มีแอร์ฟกรอกอะรอันนี้ดูสิ เปล่ายอย่างเงี้ยไม่ลุมค่าเองคนมาทิ้เดียวเออเคยร้นอตอนน่นนะแปลกนะตอนมาตั้งวัดใหม่ๆนะแปลกมพราะอ้โหลนนั่นรถเข้าออกไม่ได้อ่ะแต่นึกถึงตอนไหนที่วัดแตกเลยนะตอนยันตรามาบินทบาทอืมคนสามมื่นกว่า ขอไปพวกโยมผู้หญิงบางคนนี่พลาดอาตมาหมืน่นแ่ใส่บาทสามรอบใส่หน้าวัดใส่กลางวัดมาใส่หลังวัดนี่เขาทําขอดูหน้าใกลไก๋หล่อมาก <c oughs> ุกลงมันมาใส่บาทรแล้วมาดูฟั่งหรกมันจะลุบำลุงสาสนาเลยมันบำรุงกิเลสมันมันน่าจะบำรุงกิเลสมันม ดีกว่าเกา่าสบายกว่าเกา่าเอาใจมากกว่าเกา่าดันข่าม่มามากทกเก่าก็แปลกคนแต่เนี่ยไปดูวัดอื่นเขาว่า ก, ก็แย่เหมือนกันเดี๋ยวนี้อจะมาไปดูเนี่ยเชื่อไมแม่ข่าวถือศิลุบสดบางวัดเหลือ 3, 4, 5, สามสี่ห้าเสาสลาบานเลยเสาสลารห้าสิบต้นคนหนักสือศีน่าคน เสียของเงินศาสนามาจมอยู่มันจมแล้วไม่ได้คุ้มค่าอะไรเลยเงนเต็มงิมาบอกว่าไม่พอไม่สั่งอะไรสลงศาลาไม่เอาแล้วเราก็พยายามให้ขอกิจหลักทำเต็มที่แต่ดันหาวุ้นไปหาอะไรต่ออะไรก็ไม่รู้เราหาไม่หาเปล่านะยังมาโทษโกรธอะไราำไมหลายลคนแปลกคนที่ไปหลงพวกบวชตกสูงเนี่ย ไม่ได้พอใจแต่มานะ่ะโกรธก็ด่ดาขเขาแฉ่งอะไรก็มีเขาหาว่าไปลบหลูค่ครูบาอาจารย์เขาไปสอนอะไรแบบหักล้างครูบาอาจารย์เขาแทนที่เขาจะบอกเออพึอ่งเข้าใจเขากับ เ, ออเป็นพระแบบนี้ได้ไง อ, อ้าวว่าเราเออหาว่าเป็นพระขี่อิจฉาทําไปทำมาคนน่าจะท้องกันแล้วเนาะ แต่ไม่ท้อหรอเรามั่นใจในความถูกต้องที่พุทธเจ้าตรัสเองว่าแต่ก่อนก็ดีต่อไปก็ดีเราจะสอนจะเรื่องทุกข์กับเรื่องดับทุกเดี๋ยวนี้ก็ดีต่อไปก็ดีที่แล้วมาก็ดีเราจะย้ำเน้นอยู่ตรงที่ว่าดับทุกแต่เดี๋ยวนี้ชาวพุทธเราเนี้ยบวชก็ไม่ได้บวชเพื่อดับทุกข์นะบวชฉลองนู่นฉลองนี่อะไรก็ บวชถวายนั่นถวายนี่กันไม่ได้บวชเพื่อสัพพทุกขนิสสนะเพื่อ ด, ดับทุกข์นั้นถามโยมจริงๆเนี่ยนะบางที่ตอบไม่ถูกนะตอบพระดจริงเ น, นีที่ว่าพุทธเจ้าออกบวชแสวงทางดับทุกข์หรือแสวงหาบุญไอ้พวกจัดบุญเก้าวัดเนี่ยมันจะตอบแสวงหาบุญดีก็ฉันยังแสวงทุกวันเนี่ยไปวนละเก้าวัดนดิ เราก็น่าลำคาญพอมาวัดเราเราจะเทศนานนพวกยันนานดิเดแปดวัดไปไม่ทันโอ้มันก็ไม่ได้เรื่องอะไรเลยได้แต่จํานวนเก้าวัดแต่ไม่ได้อะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันที่จะยกระดับตัวเองให้ความฉลาดเกิดก็ต้องบอกว่าช่วยกันหน่อยได้ไหมขอล้องขอความร่วมมือถ้าเกิดเรื่องอย่างเลนแออีกพวกเราต้องไม่เป็นเหยือ่อ ไม่ต้องเป็นอาหารเต่าปูปลาพวกนี้ต่อไปแต่คนที่นี่เกิดพลัดไปเป็นเหยื่อพวกนี้นะ่ะธรรมาจะรู้สึกไงกูเหนื่อยเปล่าเสียแรงเปล่าอืมยมเชื่อปะ่ะตอนธรรมาอยู่สวนโมกนะนิกก่อนเนี่ยเขาไปเทศที่ชัยยาภูมเหลียมเชื่อไม่คนในสวนโมกอ่ะตามนิกก่อนไปบ้านเลยทิ้งหลวงพ่อพุทธทา ไม่น่าเชื่อมันเป็นไปไดของปันเนเีญยอยู่กับปราดแต่ทิ้งปราดไปตามไม่เหตุอะไรที่ไหนก็ไม่รู้ไม่น่าเชื่อนี่ตอนสาลีบุตรจะจากอาจารย์สั่ใจไปจะไปลาจะไปอยู่กับผู้เจ้าแล้วบอกว่าผู้เจ้าฉลาดตอนนี้จะชวนอาจารย์ไปด้วยอาจารย์ว่าไง ไม่ไปท่านไปเอถ้าไม่ไปหรอกแต่ยังย้อนํามนะคนในโล ก, นลกโเนี้ยฉลาดก็โง่เนี่ยใครมากกว่ากันง <c oughs> ั้นเราจะอยู่กับคนหมู่มากนี่แหละท่านไปเ <c oughs> นี่ยมันก็เป็นเรื่องนี้นั้นเราอย่าไปนึกว่าวัดไหนทีคนไปเยอะๆนั่นนะเขาจะรู้เรื่องถูกต้องแต่เขามันมีกระบวนการ กระบวนการจัดการสกดจิตปัน่นศรัทธาแล้วก็แล้วแต่ทำให้คนเคลิบเคลิมทำบุญหมดเนื้อหมดตัวทุ่มหมดเลยไม่ได้สติปัญญาเลยเลยนี่นะถ้าไปวัดนั้นน่ะเก้าอี้เนี่ยพันตัวนี้วันเดียวจบนี่อุตส่าห์เราเสริมอีกสี่ร้อยยังไม่ค่อยครบเราขอแจมด้วยสี่ร้อย ยังเลือตั้งยี่สิบปตัวมันข้างนอกมันต้องทำมั่ยโมสงสารโยมหงายโคลมไปไม่ก็อยากจะกวนโยมหรอกแต่ว่าโยมหงายโคลมพระก็บอกแต่คุณเพิกเฉยดูได้หัวใจไร้ความกัลุณาเออแล้วเราสวดกันยังไงพระอรหันต์นะท่านนิ่งเฉยไม่ได้ถึงพร้อมด้วยความฝนฝ่ายเพราะกรุณาเห็นยอมหงายโคลมไม่กัลุณาบังก็งเย่แล้ว ไม่ได้ชวนพุทธลูกองคหนึ่งตั้งเท่าไหร่องคหนึ่งสามหมื่นรอบเจดียด์เนี่ยยมอาจะภัยอาตมานะวันแรกเขาก็ส่งนักสา ม, มาคุณแม่เสียชีวิตไปจังนานเคยสร้างพระส่งบุญไปให้บ้างไหมต่อมาก็รู้ว่าสามีคืออาตามาผู้ชายเอาผจ้ชาตายเคยส่งบุญไปสามีบ้างไหมอสององแล้ <c oughs> อ แล้วคุณไม่ทำเตรียมไว้ม้่งเถอะจะเริ่มองค์ที่สามองค์ละสามหมื่นเก้าหมื่แกก็เลยมาหาแตมาคุยกันไปคุยกันมาตอนลังก็มาอยู่ที่วัดนี่แต่หมดไปบานเหมือนกันง ท, นทีก็แปลกนะไม่รู้เลยว่าเขาใช้แผนแต่การใช้แผนใช้ระบบนักธุรกิจเป็นตัวจัดการเนี่ย เป็นตัวต้นคิดวางแผนเงินสี่ห้าหมื่น 4, 50, ล้านเข้าวัดนั้นได้เป็นของง่ายดายแต่วัดนี้ก็อีตัวยังยากยาก <c oughs> ก็ไม่ะลจะอยู่อย่างนี้แหละจะไม่เอาวิชามานมาหลอกโยมพูดได้คำเดียวว่าโยมเป็นเจ้าภาพแล้วใครมานั่งโยมก็ได้แต้มเลยไปโยมพระบานถามว่า ให้ไปเกิดอยู่ตั้งนานเนี่ยทำอะไรไมาไงก็ไปดูก็อีท wow, ี่วัดชนแก้วอีกเทียงยุ่มบ้นเทียงยุ่มบ้นเทียงได้ยุ่มบ้นผ่านเอาละวันนี้ก็คงแค่นี้ขอให้ทุกท่านได้รีบเป็นบัวพน้ำ ถ้าพ้นในชาตินี้ไม่ได้ก็ขอให้เป็นลองๆมาจากนาเตรียมตัวเตรียมใจที่จะพ้นเป็นหลายต่อไปในชาติต่อไปแต่อย่าให้หนานนะได้เป็นชาตินี้ได้ยิ่งดีก็ขอให้ความรู้ความเข้าใจในธรรมผลักดันให้ตัวท่านจังหลายได้พ้นไปจากกองทุกข์ด้วยกันทุกท่านทุกคนเถิด